นี่มัยะยะมานึงหมาก็เป็นหมาแต่จิตมัก็เป็นจิตนิสัยนิสัยมากมีมากน้อยมันก็อยู่ในจิตมันก็ไปตามจังหวะนั่นที่ไม่ประมาทกันแม่สัตว์ห้ามไม่ประมาทนิสัยวาฒนธรรมการันท่านห้ามเพราะวาาสอนไว้อย่างปังปังเลยนะ ไม่ให้ประมาทนิสัยวาสนาของมกันเดีกันไม่ว่าสัตว์หรือว่ามนุษย์ด้วยกันเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่ภายในจิตไม่สามารถจะอย่างทราบได้ของกันและกันได้ไม่ติดเป็นสัตว์นิสัยวาสนานั้นยังมีอยู่ในจิตของสัตว์นั้นท่านจึงไม่ประมาณเสียเมื่อไรทั้งหลายอะไม่ใช่คำว่าไหนกัน นี่ไงหลจะพุทธมารนะพระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจสิเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่ทั้งนั้นอริยสัจจริงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่น้อย พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นเป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่สัตว์พระพุทธเจ้าปลอมปลองเพราะอารยิยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณปฏิบัติตามหลักอรยิยสัจได้มากน้อยเพียงไ่จะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ยางเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอายศาสตร์สีนี้มากน้อยก็เชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลําดับลาดาบดังที่ท่านสแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอายสัรนี้ว่าพระโสดา พระจกิธาพระอนาคกาพระอรหันต์นี่นี่นหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจสีนี้ พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจสี 4. อริเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของาศาสนาด้วยได้แก่พระพุธทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของชไตร ศาสนาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสมนี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้น <c oughs> ผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจท์จะทำทั้งสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้งสี่แล้วโดยสมบูรณ์ จึงสามารถประกาศาศาสนธรรมได้โดยถูกต้องแน่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่สอนที่ประกาศให้แก่บรรดาจักรทังหลายนั้นได้บรรลุโดยลําดับลาดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดตามพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสมมาคโคดมของเร า, าศาสนานี้ไม่ ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจําเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตลักคำาพิยแห่งอเยสัตมนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลาดับลาดับอย่างแท้จริง ทกุก็เข้าใจเรื่องทุกไปจับใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอํานาจของสมุทยัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนา แล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศตังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจนี้ ความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ซัทาบซึ้งในองค์อริยสัจนี้เป็นสําคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของโองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตประหันนั้นด้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้เดบยังเข้าถึงอริยสัจทั้งสีนี้โดยสมบูรณ์แล้ว ธรรมะที่ว่าแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสีนี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสัำผัสเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสีนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยําไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลาย แม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอาหารหัตรหัสทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านมาแลว้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการกุดค้นอยญญาต์นี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ไม่จักใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาพปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และ เป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโก้ด้วยการปฏิบัตินี้แลเป็นจาขันนี่ไม่คาดไม่โน้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจํามาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างหนึ่งดังที่ท่านกล่าวไว้ใน การามาสูตรนั่นไม่ใช่ทำเล็กน้อยไม่ใช่ทำธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวพราะไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อกี้ท่านพูดไว้ถึงสิบเก้าอย่างสิบอย่างไม่เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยอบอกเล่า ไปโดยลําดับลาดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จดัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสัสันทิฏิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏิโกเป็นสําคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในใจิตใจด้วยสันทิฏิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อย รู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันธิบิโกคือประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลําดับแห่งขั้นในขัน้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงดิมุตหลุดพ้นก็เป็นสันธิบิโกไปโดยลาดับลําดาจนถึงสันธิบิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สันติว่าความจําเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่ง ความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการข่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำมันนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยหรือตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้กล้าเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้ว เป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเตีสารุมานะขาตันตาตะโจเป็นตอน้องอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิภาควิการเป็นการขี้คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทําให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลดาําดับลําดาไปถ้าพูดถึงเรื่องอาชูพระคือพังความปฏิกูลโสโคกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิวุลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคผาดขาท่านสอนท่านสอนไว้กลางๆว่าเกษาโลมานาขาดันตาตะโจกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภาคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอตุภาษคือของไม่สวยไม่งามความเป็นปโโความประดิษฐ์คู่โขท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้น เข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนําปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานะขาทัานตาแตจูแต่และอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดทัดเย็นในทางในอาการใดเป็นอย่างไรพิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของ อ, อาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเอง เรื่องปฏิคูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำหนับลําดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพาเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภ า, ายในปัญญาของตัวเองทุกขงังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นจริงที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่จะทราบด้วยภาพปฏิบัติไม่จะทราบด้วยความจําความจําจําไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัด ขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจําจําไวเช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจํานั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักธรรมจรงิงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลําดับสำหรับปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลําดับธรรมดาจงกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกุลกายและอาการแห่ง อาการของขันทั้งหันโดยลําดับลําดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจําความจําเราจํามาแล้วพอมาพิฆาตทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจยอย่างนี้ทางพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหรัตละหันท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลําดับลําดาเจนสอนให้ ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วย ถ, ถ, ถึงจะได้รับรถแห่งพระสัจ ธ, ธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับเรื่องเราจำผิดทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลดัแบบนี่ก็เหมือนกัน ทางด้านจิตใจต้องอาศัยภาคปฏิบัติทีนี้พิ่เจรณาสติเป็นสําคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียนเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิพาวนาอยู่เฉยเฉยโดยหาสติไม่ได้นั่นว่าเป็นเรื่องขวางความเพี่ยนไม่ใช่ความเพี่ยนความเพียนเป็นพื้นฐานแท้ก็มีสติเป็นสําคัญ แม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกั บ, บ ร, รักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมลือนึกคำบริกรรมว่าพุโทโธหรือทำบทใดก็าตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปาณาติลมหายใจเข้าออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออก ไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะห น, นีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายตั้งลงในหลักปัจจุบั น, นเมื่อตั้งลงไปที่ตรงนี้ไม่เผลอ ความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลําดับลาดาบย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลําดับลําดาจะบริกรรมคําใดก็ตามอันเรื่องลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติ ภูประกอบความเพียรยาอิจนาแะอาใจในการตั้งสติยาอิหนาและอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติดูไหนก็ตามให้ระมัดระวงังจิตของตนซึ่งครั่งต่อความคิดความปรุงด้วยอํานาจของกิเลสเป็นในไหนอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงาน ผิดกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลําดับลําดาแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้อ ง, งไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทํางานของตัวโดยลําดับลาดาบด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึง ต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแข่งธรรมนี่จริงยากจริงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นหยินนิวรกแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความตุงต่อความรู้ความเห็นความสัมปัตสัมพันธ์ต่างๆไม่มอะไรเร็วยิ่งกว่าจิต ที่หาสติไม่ได้เพราะนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในถึงต้องลำบากลาบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นตอผลที่จะพึงได้รับตอบ ผ, ผลที่ตนพึงหวัง นั่นเป็นรากฐานสําคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลาบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้าด้วยอํานาจกห่ความมุ่งมั่นเป็นสําคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นทีน่นี่เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรดูโดยสม่ําเส ม, เมอไม่อิหนาละอาใจต่อความเพียรเพราะอํานาจของกิเลสมันพผกมันดัน เราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของเกลียดมากลายเป็นเรื่องของทําได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียร ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสม อ, อยาสําคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทําความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสําคัญมันหมายอันจะเป็นปลาทางให้สําคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภากเพียรโดยระดับลำดา หาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้ <c oughs> จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อ ต, ตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิจ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวล น, นั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจมีทั้งนั้นไม่ไปทราบที่อื่น ทำนั่นมีมีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่แต่สําคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้จึงไม่สามารถได้สัมผัสสัมพันธ์รรมได้ตามที่ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความพากเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มทักิกําลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์รรมทั้งหลายตั้งแต่ สมสถะธรรมคือความสงบเบย็นใจความสงบเบย็นใจจากการภาวนาจากความผากเพียร น, นี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะหน้าแห่งความเพียรระงับดักปัแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเบย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมา หรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลําพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความทักเพียนในวันนี้หรือในขณะ น, นี้เท่านั้นนะพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรม ท, ทั้งหลาย จะเด่นขึ้นสองความภาคเพียนหรือความเพียนทุกด้านจะเพิ่มกําลังขึ้นโดยลําดับให้เราได้หนหุนความภาคเพียนมีกําลังแ่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลําดับลําดาความสงบเย็นใจก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงแล้วจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลําดับลาดาจนเป็นที่แน่ใจ ว่าอ๋อนี่จิจสงบเป็นเช่นนี้เทียวเหลือเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัตรนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนมาเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของกิจจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดตุงคิดตุงคิดตุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไระไร้ได้อยู่ก็าตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเอง จะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่นะที่เราเคยเห็นในตำหักตำนาอ่านเป็นความจดความจําในตำหักตำนาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตาําราท่านบกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนนะ สมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจาคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจานั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบ ที่สงบครั้งนั้นครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้ น, นี่ท่านเรียกว่ายิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันธิิโกอันน์เห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหมุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่า จิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงแก้ที่จะทปัญญาโดยไท่เดียวเท่านั้นมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิในควรแก้ปัญญาขันนั้นนนั้ที่จะพิจารณาคลื่คลายสภาวะตับท้งหลายให้มีความรู้แจ้งถึงจริงประเดุจลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดายิ่ก็สมาธิมีความสามารถแก้กล้ามากเท่าไหรปัญญา ก, ก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วย ก็รู้โดยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไม่แล้วท่านยังเรียกสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสร่างซ่าปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพริจารณาท่านเรียกวมีอริสง ม, มากอันว่าง ก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลําดับตจำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอินตัวดูภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทํางานตามการพิจรนารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับมันจะให้ทํานั้นไม่ละเหเร่ร่อน วุ่นวายปรกับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิพรยในใจจิตจึงเป็นของสําคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทําหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านนําขานไม่หิวโหยกับอารมณ์และแสสา ย, สายทางนน้นแสสายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย้งขัดแย้งทางโน้นขัดแย้งไปทางนี้ พอจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นหวัดจิงว่า ส, สมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญามีความสามารถแกล้งมีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่เคยไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลาดับลาดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้ เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอั ป, ปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกําหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอ ป, ปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกําหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นเท่านั้นนั่นเป็นหลักสมาธิให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้ ีอยู่ตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหรยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำ ด, ลำดาสรูปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสทังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดนะถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยัง มีความละเอียดแหลมคมไปโดยลําดับลาดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของสัตตุโลกหรกหัวใจของเราเองท่า น, นสติปัญญาจริงต้อง ใ, ใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาพิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้อทําแต่งานอย่างเดียวตาได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับ มันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็หน่วยสุดท้ายก็หมดกําลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเวนาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทํากิจให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวภาคตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสีย มีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกําลังพอต้องกแล้วก็ออกพิจารณาที่คายทางด้านปัญญาปัญญาขโมยตัวไปเรื่อยๆ้ด้วยการพิพจิตรปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอจุภะอจุพังไปด้วยลํานับจนกระทั่งถึงอนิจังทุกขังนาตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันหญา ปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภาเป็นส่วนมากขันหยาบคืออะไรรูปปักขันที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความํำคัญของกิเลสที่เชี่ยมสอนมาตั้งแต่การในไห น, ไหนทําจัดโลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโพลของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูให้เห็นหาะหา ความสวยงามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภาษสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทําไมจะทนต่อคําจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริง ห, หาความสวยงามไม่มีในสกุลอากายมีแต่ความอสุภาษสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภาษะดุจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาขี้คายในขั้นยาก คือรูปประคันส่วนมากพิจารณาถึงถึงเรื่องอสุภะอสุภาพจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขงังไปยังไงบีบบังคับผนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสําคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปประคันนี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตร ล, ลักษ ไม่ย้อนบัมนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งนั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีอยพาะเรื่องของกายตอนนั้นที่สําคัญมันหม า, ายอะไรต่างๆจึงต้องแก้ความสาคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภะแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักกับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคําสําคัญว่าสวยว่า ง, งามด้วยทั้งอสุภะ ที่สําคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึนง่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วแต่พิจารณาอะไรเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันละเอียดคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขานัขนวิญญาณขานัขนเรียกว่านามขนันขน้ำมขันนี่พิจารณาด้วยไตรลักษ คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พี่จะให้มีความถนัดชัดภายในใจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีนอนาัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวึ่งถึงกันหมดเพราะทําเหล่านี้เกี่ยวโยงกันก น, นี่เรียกว่าปัญญายัางทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล่นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปะะนัญญาใ้แล้วชาทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี้คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างละอย่างเป็นธรรมาชาติของมันเป็นอาการของขอ ง, ของจิตแต่และอย่างละอย่างเท่า น, นั้น หาความเป็นอิจมีที่ไหนไม่นี่ทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันหนักนี่ลหลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏสิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงเลี้ยวอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กราบมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอัจฉรภัณฑ์คืออะไรสมุทไทยมันว่าสวยว่างงามหนัน อาูประความไม่สวยไม่งามคือมากนั่นสับมันเข้าไปฟันมังเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นเสภาพผ้าแผงทัศนอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปเท่านั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่ถึงเรียกว่าอริยศาสตร์นี่ละการพิจารณาตะกี้นี้เราพูดแล้วว่าหลักพรัชศาสนาคือหลักอริยศาสตร์เป็นเครื่อ ง, งอยืนหยัดการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยศาสตร์นึง ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยสัจเหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังาตาจะไม่อริยสัจแล้วจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากนั้นออืเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมเหมือนกล่าวไว้ในธรรมบทว่า ดูก่อนที่สู่ทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพุทธสอนแต่อาศัยกิเละอีมันจรหมาหวานนี่ขั้นของจิตของผู้ชำละพระพุทธสอนก็มีแต่จิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นอาการตั้งห้านี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยิดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถ แต่ยังไงก็ไม่ไม่พ้นเรื่องการพิธินีนพิจารณพระภวสรที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนหลักงานพิจารณาอริศัตตร์ทั้งนั้นนัูน่นะที่กล่าวมาสมุดทีนี้อธรมว่าพระภสรคืออะไรพรวิชาไม่ใ่ไม่ใช่อริษัตจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุดไทยรากแก้วของสมุดไทยเผอวิชานั่นหละที่ว่าเป็นพระภสรพระพัสษร ที่สาสว่างกระจ่าแจ้งท่านอาโอห่าชุดหกอะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งบันตายหาความหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสําคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในอริยสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลําดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจจ์อันเป็นจอมกษัตริย์วัตจักรนี้ด้วยมรรคสัจ เรียกคือมหาสติมหมาปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่อืมเรื่องที่เคยเป็นรูปศัพท์เรื่องที่เคยเป็นข้าศึกตอกหัวใจเราคืออะไรทําไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัดแห่งวัดตกิดนี้อาการทั้งหลายทําให้หลงหมดก็เพราะ ลากเง่าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนักมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้จะกระทั่งอวิชชาแตกกระจัดกระจายแผออกจากจิตใจหมือแล้วมีอะไรมาข้องพันใจที่นี่จะมีอะไรนั่นแหละท่านว่าอากาศของจิตอ า, ากาศของธรรมเวื้องว้างไปหมดข้างนอกก็ว่าก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายใ น, น, นเวิ้องว่างไปหมด อย่างนี้ยว่าอาวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจายกระจายไปแล้วไม่มีที่ยุดยึดอะไรกันอืยึดหาอะไรยึดหาพบหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นพบเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่ฮะเมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เริ่มเชื่อเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันอย่างความรู้แจ้งแทงทรลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสยัยนี่ นี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอาอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้น่ะมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เราเรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสนาศาสดาไม่ผ่านแล้ว อ, อะไรมาสอนเราน่ะมันยอมรับยอมรับยอมรับโดยล้มธรรมดาสวาวกอรหันหลานทั้งหลายล้วนนี้ตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพระเาะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัย เทียบกันได้กับ ว, ว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอา้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆเฮขอแต่ว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นละ่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตนลาด <c oughs> นั้นไม่อดุไอ ด, ไ ม, อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพาน ในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับตั้มนัตต์ทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานถิญภวนาโดยลําดับลาดาเ้าเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุ่มลูกคูครานปัญญาก็เริ่มแต่ล่มลูกคุ่ครานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยิงมุดผลิพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านหว่านมรรคผลิพานเต็มที่ใน ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่ง ผ, ผ ล, ผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนแเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีดตางคำพีนั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะเอทุกสมุทัยนิโรธนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเรานีให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะเอนะทุกก็ไมไ่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คำภีรสมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คำภีร นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อนในัมพี่ไม่มีตัวทุกข์มันไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรูแ้แจ้งทจ้งทะลุด้วยสติปัญญานั้นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงจรงอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียน ด, ยด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมากพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นเป็นฝ่ายผูกมัดพภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่ามาสรงมะผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะ รู้แจ้งแจ้งทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนะักปฏิบัติอย่าเลี้ยวๆหลายๆอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นทุงสารไปไมาได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมันหลอกให้ตื่นอยู่นั่นนะ่ะเวลาเนี่ยเอาทำจักเข้าไปสติสติปัญญาจะเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้หลาผมไดเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุด ใจนี่ตัวเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยเฉยมันมีเมื่อไหร่กิจนั่นอนะ่ะดูที่ทำมีสติจะต้องรู้จิจอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับงกี่ครั้งกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั้นนะไม่มีความตืดจางไม่มีเห็นว่านี่เป็นเดนเป็นเดนแล้วนะอย่ามันหลอกลราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าหลงไปรองของกิเลสหลอกแล้วกินมันทั้งค่าคืนทั้งรุ่งกินจนจะตายอื ให้ที้เลดมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้นะมันเต็มเม็ดเต็มหนือนกับความโง่ของพวกเราเอแล้วกินกินนี่แหละชี้เลดหลอกอะไรกินหมดไม่มีคําว่าอันนั้นเป็นเด่นนี้เป็นเด่นด้วยอํานาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยนี่จะติดทั้งงานดุนงเรื่องอะไรขึ้นมาก็าตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละอืถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัส ทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปุ่มขึ้นในวงปัจจุบันลอกให้หลงอยู่นั่นเนาะในจิตเนี่ยชาวฮันจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อติปัญญาชุ่มเป็นฝ่ายมักฟันกันลงไปฝ่ายลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทํางานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทําลายการทำงานของกิเลส ผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเอ ง, องพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกําลังมากขึ้นมาโดยลําดับก็ทางกิงเลีสลงไปอืมเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทํางานแห่งทำผิดทำขึ้นมาพายใจิตใจเลยกลายเป็นอากาศของผิดอากาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้ น, นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือการปฏิบททัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมนั่นทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ทำเห็นทมอะไรปิด ก็นอกจกิเลสท่านั้นมีอะไรปิดฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาสัทธาความเปี่ยนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกทำยี่หินไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ดนรอสัมผัสสัมพันสกับธรรมต่างหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนิ่งพร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะอย่างไรจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั่นคือขอให้ทุกทกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มทัศนติกําลังความสามารถเราอย่าตื่น พบตื่นชาติเราอยากตื่นมตรตะสงสามอยาตื่นเรื่องความเกิดเจ็เจ็บตายอยาตื่นโลกมันเกิดเจ็เจ็บตายมาชนี้มีตั้งกับตั้งการจี้กับจี้กันแล้วในไลฟ์ของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นแหละนี่ไม่สงสัยที่พูดกรงกรึงพอได้ค้นเรื่องอ ร, ริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยที่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆออกมาพูดนะนเวลาโง่ไม่ต้องโง่หัวใจตรงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอก ไม่ว่าหัวใจดวงในแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะอืมถ้าโ ง, ง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลถึงจะพังนผิดขึ้นมาความฉลาดไม่อยู่ในหัวใจของทุกคนวิทยาสอนไว้ทุกคนนะอืมสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานีรื่องนั้นเราเป็นลูกศิษฐ์านกไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัศน์ทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของท่าของตัวเองที่หยิงย่งว่าตเรงมีความป้าความเพียนความเพี้ยนขี้หมาอะไรมี่จะความเพียยที่เด็ดมันฟัดหัวเรานั่น ถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงธรรมบอกสมบูรณ์โอยเหนื่อยหนืล้วมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าทรรนั้นด้วยภาคปฏิบัติทมก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายงใสงสัยในสิ่งของนี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลืกเป็นอย่างนั้นไปนะ เขาไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยเจออะไรมาเชื่อมนุษย์เหล่าน่ะออพอความจริงมันจับมันเข้าจําเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็องไปเห็นด้วยตางเราแ ล, แล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนคนใดมาบอกพอพอมองเห็นป้ามีมันเข้าใจพอได้ยินป้ามันมันเข้าใจ น, นั่นนั่นแหละถ้าลง มันได้สัมผันสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละสามทิฏิโกก็เหมือนกันภ้าปฏิบัติถ้ามีภาคปัจิบัติเลยก็ไม่ผิดก็เราท่านๆเ น, นื่องเรียนเรียนมากเรียนน้อยที่เรียนไม่ได้ทะเลากปอกเปิกเลยดีไมด่ดีท่านงงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมที่เรียนไปอีกมากที่กว่าคนธรรมดาสําคัญหญิงนะจะออกนี้ด้วยเพะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ที่พอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังท่ฐีมานต์เหล่านี้ัค้ความทั้งพันตนนี้ลงมปโดยลำดับลำบพั ง, ง, งลงไปพังลงไปพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทังความทั้งพันของตนนี้จากนั้นก็พังหมดเลยอะไรที่เงลืพังไยงนั้นรอนัี้นนั้นื่กิน น, นัน น, น, นีน มันมากแล้วมันอืดอาดเนื่อยๆน่มันไม่เหมือนน้อยนะย่านนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งนี่จะทำยังไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยนะคนเขียนก็เข่นแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มาก ทำมากแล้มันก็อืดอากมันเขียวยองกันไปหมดวัดหนึ่งคิดดูทุเรียงจัดอาหารตอนนี้ก็พอแล้วดูคยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ย่งอืดอากเหนื่อยหนาวอย่างว่ากันนะสภาพเพลยนเป็นหน้าเป็นหลังอะไรเรามาแหกกันอยู่เฉยหาตุเนื้อหา ต้นห้าตัวก็ไม่เจอแม่เห็นพลังเป็นเซียวมองเอาเลยนะพลังหยอกมันเก่งหยอกหมามันชอบนะผมมันหยอกมันไม่ได้เลยเพราะมันถึง ม, ม, ม, มาติดผมผมหยอกมขาเป็นนี่พระรูปอ่ะ ้รร็มาฐานสายลุงปู่มั่นนี่อันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตตวิจารณ์เหมือนกันเฮ้ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขนริงอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสีย ขายตัวเองหลังไหลเติงเทพมกกรรมฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งหวันมุ่งทำาหาตั้งแต่ที่สงัดที่เรียกประกอบความภาคเปลี่ยนปะนันนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดธรงทาไหมคือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เหอเฮอเอกันอย่างนั้นดูมิ แย่กันลงไปสักกากระพุสังขันติอุงก็ะลงตรงนั้นคืลาส ก, การะบุชานตายเพราะลาส ก, การะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรไอ้เจ้าของนับถือเจ้าของยีดประคองเจ้าของให้ดีอัเรื่องนอกมันพังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเอง ดีช่วมันประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็อเอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไระภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความร่วมสามันเรื่องสายอยู่ในหัวใจของเขาเพาว่าปองใสก็ปองสใสน้อยใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟนนนมันได้เรื่องอะไรอืถ้ามีไฟอยู่กระแดงโล่ถ้ามีไฟกระดำไปยื่นน่ะทานไฟอย่างนั้น นี่ยิ่งอะไรครูวายจาง ก, ก็ยิ่งล่วงล่วงรับไปเรื่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปเลยที่นี่ปลายใหญ่ไม่มีที่เคารพนักถือไม่มีที่ระวังระวัยงยิ่งปลายใหญ่ความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นที่เด่ดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินที่เด่นความรวดเร็วในการทําลายศาสนาทําลายตัวเอง กับการสอกกบการกับการก่อสร้าง อ, นนอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันนี่ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครัวอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วอนนก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างแล้วเป็นเครื่องประดับเหียดบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ความจะว่าวัตถุเป็นไรมันเต็มแผ่น ด, ดินนีวิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่หรือท้องแม่กับวัตถุนะ จะเป็นอะไรไปทำไมวัตถุมาเรือนเจ้าานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุกตรงนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบ ม, มาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเ ศ, ษ, เศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุเหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นจิตมันก็ปัดเข้าในธรรมแบบเห่เหิมันเท่านั้นะตายทิ้งก่อน มันจะเอาเป็นอน้คนมาตรฐานหรอเรื่งการก่อการสร้างยุ่งหัวใจจะของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเก่าเลยที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเก่านี่มันขัดตับทำอยู่ตลอดจะ่เดียวต้องได้เปรียบทำเสมอไปแหละ นึ่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์นั่นหลายมี้ี้มีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เกาะที่ยึดแล้วถ้าไม่ยึดหลักคำหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้ มืนว่าวเชือกขาดบนอากาศเนาะหัวปักลงมาขั น, นด่วนไม่มีหลักไม่มีทำนี่ในเป็นเครื่องยืดของใจเราเป็นอย่างนั้นนะี่เลยเอาหัวปักไปเลยอนะถ้าขันด่วนนี่มืนก็อ่อนเต็มทีแล้วมันปล่อยไปยัง อย่างที่ว่านี่แลยไม่่้ำเองมันเป็นอย่าหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันมันลาคานถ้าพูดจะแบบว่าลาคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่ลาคาญแบบอะไรจะว่าเป็นยี่เหล่หรือมันก็ไม่ใช่เป็นมันรู้ในตัวของมันกําลังวางช้างเราที่จะทําประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่เจ้ของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีก็ทรงท่าทรงขันนี้ไว้เท่านั้นพอแล้ว ไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจําเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละตอนเช้าก็ทนเอาทานอาหานแล้วเพราะเมืองอุดอรนี่เราบอกเขาไว้แล้วว่าอุดอรนี่เป็นเหมือนกันเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาจะตอนเชา้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาตลาดนั่นเวลาเข้ามาตอนช เ, บบบเนนชาน้าแล้วก็าแบบครบแบบเส็จแบบมาทําบุญให้ทานก็ล้วก็มีโอกาสพูดถึง ลําบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอสมควลแล้วก็ให้เขากลับไปเพราะฉนั้นแล้วก็แม่นั่นตะปูดอนเนาะเราบอกมันไม่มาย mm hmm. ุ่งเมียเราได้รับแก่้งคนช่างก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเปน็นนําคั่นเอื้นไปอย่างนั้นเพื่อหัวใจทั้งไก่ทั้งไ ก, งไก่มีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามาก อืเดินอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลําลบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปมันหรืมันไม่เล่นกับอะไรเลยประกอบก็บว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเนียถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึด น, นั่นยึดนี่อะไร แม้แต่ธาตุขันที่อยู่ด้วยกันนี้มันก็ก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นแต่จับมันนีี่จับมีดจับไม้จะมาฟันนั้นตันนี่อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างอย่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดชัดหรือเงินก็คือฝืนอะไรอีกความรู้นั่น แ บ, บคทีา์อะไรนะักวันหนึ่งคืนนึ่งมันก็มีแต่มือกับแพ่งอย่างนั้นมีอะไรพิเศษบ้างพี่นาทีนักปฏิบัตินี่แต่มือกับแพ้งมือกับแก้งแกล้งฉนั้นเนี่ยร่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกทิ้งกายกายของเราที่จะสัมผัสสัมผัสภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรเนี่ยหลงอะไรกัน อย่างเนียเปไรมักจะติดบ้างมาติดบ้างเป็นไรของดูนโตเล่นหูเพรมันจังสนุกวดย่างนี้นอนอ้อีบ้านเอ้ยบุ่ะน่นนี่นั่นอนดยสุไรเนาะเลยนอนอย่ไรเนาะบกอ้วนี่ในกันไหมโตเกาหูมันชอบเนาะเกาหูโดูเอาละอันเนาะ เป็นไง